วะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธา ขอนอนนอนแดกพระผูมีพระภาคกระหัตตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจเพื่อจะให้ได้ตรัสเป็นปสัมมาสัมพุทธเจา้าในโลกพระองค์หนึ่ง นับตั้งแต่ได้รับทะพยากรจากพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังก่อนแล้วสีอสงไขยแสนมหากัุบุญบรารมีทานศีลภาวนาบรารมีสามสิบทัศของสรพพุทธเจ้าก็สมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มาตรัสโลในโลก ที่เราทุกคนได้กราบไหว้บูชาศาสนาของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะได้สัตว์รูนั้นพระองค์เสด็จออกบรรพชาเรียกว่าออกบวชในเวลาที่พระองค์เสด็จออกบวชนั้นอายุของพระองค์ ได้ยี่สิบเก้าปีบารย์โบนจึงได้เสด็จออกบรรพชาเมื่อเสด็จออกไปบรรพชาแล้วก็ภาว น, นาค้นคว้าพิจนนารณาหาทางค้นทุกข์หรือหาความตรัสรู้ ในเขาหิมาลัยคือเขาหิมาลัยนี้เป็นเขาที่ใหญ่ที่สูงที่สุดในโลกมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาพระองค์ไปนั่งสมาธิภาวนาทั้งบนยอดเขากลางเขาขึ้นเขาอาตีนเขามีถ้ำมีโคหา ที่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปภาวนาเพื่อเชาะแสวงหาความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าพระองค์ประกอบกระทมอย่างนั้นอยู่ได้หกพันษาหกปีล่วงแล้วก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ พระองค์จึงได้สเสด็จลงมาภาคกลางอินเดียสมัยเลขเขาให้ชื่อจังหวัดนั้นว่าจังหวัดพุทธคยาเมื่อพระองค์สเสด็จลงไปถึงที่นั้นไปถึงต้นไมโพแต่ก่อนยังไม่ได้ให้ชื่อว่าต้นไมโพ เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในคืนวันนั้นพระองค์ไปนั่งภาวนาเป็นเดือนหกเพนเมื่อพระองค์นั่งสมาธิภาวนานั้นตอนเย็นเย็นยังมีแขกเลี่ยงโคคนหนึ่งมีศรัทธา ว่าพระฤาษีตนนี้ตั้งแต่เช้าจนคําจากคําแล้วก็ไม่ไปที่ไหนคงนอนที่นี่แน่แ่แคกย่อมโคก็มีศรัทธาไปเกี่ยวเอายาคามาได้แปดกรรมหรือว่าแปดโจมสองมือก็ ว, ว่าได้มาถวายสัพพุติเก่าของเราแต่เวลานั้นยังไม่ได้กลับสลูกเป็นพระพุติเจ้า พระองค์ตนรับเอายาคาทั้งแสตมันั้นมาแล้วก็มาณิจรารณาด้วยพระองค์เองว่าจะนั่งทิดไหนของต้นไม้ต้นนี้พระองค์ทิจารณาทิดเหนือหรือเป็นมงคลก็เห็นว่ายังไม่เป็นมงคลทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกก็ยังไม่เป็นมงคล ทิศใต้หรือทิศใต้ก็ยังไม่เป็นมงคลเมื่อพระองค์พิจารณามาถึงทิศตะวันออกทิศตะวันออกนี้เห็นว่าเป็นมงคลคือตอนเช้าตรู่ทุกวันจะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกมนุษย์ทั้งหลายเมื่อแจ้งตว่างก็ไปทํามาหาเลี่ยงชีพ จิตใจเบิกบานยิ่งแย่แจ่งใสแม่สัตว์จิงเดียล์สารที่อาศัยหญ้าเป็นอาหารก็ได้กินหญ้าได้เล็งหญ้าเมื่อพระอาทิตย์มาส่องโลกแจ้งสว่างแล้วพระองค์ก็เห็นว่าทิศตะวันออกนี่แหละเป็นมงคลจึงเอายญ้าคาทางแปดกรรมนั่นปูด้านทิศตะวันออก เจตกาโคนต้นไม่โพนันเมื่อพระองค์เอาหญ้าคาข้งแกสกจำโอหมดแล้วก็ซาเล็จเข้าไปนั่งหินหลังให้ต้นไม่โพผินหน้าไปทางจิจตวันออกพระองค์นั่งขัดสมาเ็ธ เธอแต่ก่อนนมายังไม่ได้นั่งขัดสมาธิในคืนวันนั้นเป็นคืนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้แลนนั่งขัดสมาธิการ น, นั่งขัดสมาธินี้เธอว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งพระวรกายาที่ยงตรงพสะองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานในใจของพสะองค์ลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆเว้นเสียจะได้กราสรูเป็นระพุท ธ, ธิได้จึงจะลุกไปแสวงหาอาหารระนทบาท ต่างหากว่านั่งภาวนาไม่ได้กลับสรูสร้จริงตามความมุ่งหมายพระองค์จะไม่ลุกไปที่ไหนจะเอาที่นี่เป็นที่ตายแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีพระองค์ท่านไม่ลุกไปมาเป็นอันขาดจีแลดมานสังขารมาน ในเวลานั้นเรียก ว, ว่าพยามาตุุ่นวายที่สุดแต่พระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระองค์ได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วว่าจะนั่งให้ได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าชียทีถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็เอาเทเนิสเป็นทิ่ปาด กิเลสมารสังขาระมารทั้งหลายก็ไม่กล้าเข้าลบกวนพระองค์ได้เพราะพระองค์เอาตายสู้ฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาของสะพุพธธิเจ้าที่ได้ตรัสลูกเป็นสัพุพธธิเจ้าเราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้บูชานี่พระองค์เอาชีวิตแรกเอาแท้แท้เอาชีวิตแรกเอา จึงได้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าให้ชาวโลกชาวเราทั้งหลายตลอดจนถึงเทวด้อินผมได้กราบไหว้บูชาได้ระดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนได้ไปโซเทวโลกคมมาโลกไปถึงนิพพานตามเสด็จพระพุท ธ, ธเจ้าไปแค่นั้นเมื่อพระองค์ นั่งขัดสมาธิเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาคือพุทธโธ ท, ที่ให้เราท่านทั้งหลายนกพุทธโธภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นการอาจารย์เจ้าทั้งหลายที่ขึ้นมาภายหลังอีกแต่สมัยพระองค์นั่งพระองค์ไม่ได้เอาพุทธโธ พระองค์เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอุบายภาวนาโชดลมเข้าไปก็ผ่านดวงจิตผู้รู้ในตัวของพระองค์เวลาลมหายใจออกมาก็ผ่านผ่านจิตใจดวงผู้รู้ผู้คิดผู้นึกพระองค์ก็ตั้งจุดตรงนี้แหละเป็นที่ภาวนา เอาลมหายใจมัดจิตใจไม่ไปที่ไหนตามโลโยในจิตใจของเธอองค์ว่านี่เป็นลมเข้านี่เป็นลมออกไม่ปล่อยให้จิตคิดพุ่งสร้านออกจากกายจากจิตไปที่อื่นพระองค์รวมจิตใจด้วยกาหนดลมหายใจเข้าออก ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมในลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจของพระองค์มีความสงบสงับเยือกเย็นสบายลงไปเมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเต็นที่แล้วพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์ว่า นามมาโลฟังอนิจจนามแลโลกกายใจนี้ไม่เที่ยงนามมาโลฟังทุกขังนามในลูกเป็นทุกนามมาโลฟังอนัตตานามในลูกเม่าใช่ตัวตนของเระองคศัพเทสังขาราอานิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็ตามมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่สดุด สัพเทธรรมมาอนัตตาทาทางหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเระองค์เมื่อจิตใจของเระองค์กำหนดพิจารณาลูกนามกายใจป่อยวางเรื่องความยึดถือเป็นมาตั้งแต่อเนกข้าลงไปวางเฉยเจิตใจก็เข้าถึงมิมุดหลุดพ้น ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมปพธิยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขึ้นในโลกตั้งแต่คืนวันเดือนหกเห็นนั้นมาตลอดเนคือว่าบทเรียนบทฝึกบทสุดท้ายแลี ว, ว่ากลเม็ดสุดท้ายของกระองค์มาจบลงไปที่นี้ หลังจากนั่นแล้วก็โปรดปัญจวัีรีฤาษีทั้งห้าแสดงธรรมะจากกัปปวัตนนสูตรแสดงอนัตตารกนณสูตรขันธ์ทั้งห้าเป็นอนัตตาปัญจวัตรีฤาษีทั้งห้าทำตามปฏิบัติตามจิตใจก็ได้สำเร็จ เป็นพระโซดาเป็นพระสติทาค า, าเป็นพระอนาค า, าเป็นได้ถึงพระอาหารหันตตาทินาศจบพรมอาจารย์หลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็โปรดเวนยสัตว์ไปอีกสายหนึ่งของเส้องส่วนปันเจวีทีทั้งห้าลูกห้าอง เป็นพระอระหันต์แล้วท่านก็จับให้ไปเผยแท้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็เจริญกว้างใหญ่ไพศาลเยาว่าเต็มโลกสมัยนั้นแหละส่วนพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่า มีพุท ธ, ธิติห้าประการตอนเช้าแรีว่าโปรดสัตว์ในทางดินทบาทุบบับเหตินดาปาตังจักโปรดสัตว์ในทางดินทบาท ต, ตอนใบบ่ายเย็นๆเลียกว่าเทศสนาสอนญาบโยมอุบาสกอุบาสิกานับตั้งแต่้าวพยามหากรัด จนถึงคนทุกได้อนาถาไปประชุมกันที่วัดวาศาสนาที่วิหารพระพุทธเจ้กาก็ไปโปรดไปสอนสายนเหตธรรมเทสนังเลว่าเทศสนาสั่งสอนญาติโยมตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุด ให้ได้บรรลุมรรผลตามอุปนิสัยวาสนาของตนของตนอย่างนั้นทุกวันตลอดมากานคัมก็จะได้ระยะที่เรา ท, ท่านทางหลายมาประชุมฟังธรรมนั่งสมาธิอยู่ที่นี่แหละเป็นการโตดนักบวชประทานโอวาะแกพระภิกษุสษาวกสง สมัยนั้นแล้วมีภิกษุมีภิกษุนีญาติโยมผู้หญิงมีศรัทธาบวชเป็นพระภิกษุมีได้สมัยนั้นการพบข้ามโปรดนักบวชพระองค์เน้นหนักไปในทางนั่งสมาธิภาวนาเลือกระความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไป เคนักบวชไม่มีกิจ ก, กรรมการงานอย่างอื่นใดแล้วมีหน้าที่ละทีละความโกรธให้หมดไปละทีละความโลภให้หมดไปละทีละความหลงให้หมดไปเมื่อทีละหมดไปสิ้นไปแล้วก็เป็นอันว่าจบในทางพุทธศาสนาไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปในภพใหม่ชาติใหม่อีก อันนี่เป็นธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาพระองค์ทรงเผยแผเป็นมาอย่างนี้ทีนี้ในคืนหนึ่งนั้นจวนจะแจ้งเจ้าสว่างพระองค์กอ็อพิจารณาสัตว์โลกตอนเที่ยงคืนเยวว่า ทรงพยากรณแก้ปัญหาของเทวดาพยาอินพยาพรมพวกกายทิพย์ทั้งหลายมีอยู่ในโลกเรียกว่าสิกโลกกระทำใครมีความสงสัยอย่างไรก็มาฟังแล้วฟังเทพบุตธเจา้าเทวดาก็มาฟังเทศตอนเที่ยงคืน โคเมโอปาเมใสวาสนะเทวดาเินสมก็ได้สำเร็จมรรคผลไม่เลือกนาุดแท้แต่ว่าบุญบาลมีเทตนใดผู้ใดมีบาลมีแก่ก็ก็ได้สำเร็จมรรคผลไปชวนกะระหวางก็พิจารณาสัต์โลก ค, คือว่าวันทุ่งนี้จะมีมนุษย์และเทวดาที่ไหน มีอินทรีย์บารามีแก่กล้ามีหรือไม่พระองค์เข้าสารเข้าสมาบัติถ้ามีก็จะมาปรากฏในที่พระ อ, องค์ภาวนานั้ น, นเช้าวปโต่อไปสอนให้ได้พ้นทุกข์พ้นภายในโลกในวัฏสงสารไป อันนี้เป็นสมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตจิตใจอยู่ยังไม่ได้ดับขันเข้าสู่นรกพระองค์ประกอบจิตห้าประการนี้ทุกวันทุกคืนไม่ได้เล้นแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งพระองค์จึงมีความสามารถอาศาลไม่เป็นคนที่โลกที่ใครเหมือนคนสมัยนี้เรียกว่า อายุของพระองค์ได้แปดสิบบริบูรณ์การทำกิตในโปรดเวไนยสัพทั้งหลายไม่ได้ขาดตกบกพร่องสแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีพระวรก า, ายแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคภยไข้เจ็บอันใดมารบกวนไม่เหมือนคนเราสมัยนี้คนเราสมัยนี้ที่โรคที่ไข้ ทำอะไรนิดๆในหน่อยนั่งสมาธิภาวนานึกภาวนาพุทโธคิดใจยังไม่หลุดไม่ท้นจาก่เลกราคะโทสะโมหกบลเจ็บหลังปวดเอวที่โลกที่ใครเลยก็ได้ใจที่โลกที่ใครไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่นั่นวันนี้อย่าไปเย็ดไปถือ ธรรมดาโูกร่างกายนี้ไม่ว่าของใครพระพุทธเจ้าทรงตัดแล้วว่าโลกผ่ขันร่างกายเด็นจะขันของคนเรามันเต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บอายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปียิ่งคนสมัยนี้ยิ่งตายเร็วกว่าคนสมัยก่อน คนสมัยก่อนอายุยังร้อยร้อยกว่ายังมีอยู่แต่สมัยนี้ไม่ค่อยถึงเพราะจิตใจอ่อนแอทอแท้ลอยให้กิเลสความโกรธมากินใจปลอยให้กิเลสความโลภมากัดกินใจปลอยให้กิเลสความหลงมากัดกินใจเลยใจอ่อนแอทอดแท้ใจที่โลภ ร่างกายก็เลยเต็มไปได้วยโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นเราต้องภาวานาแก้ไขยกจิตใจขึ้นมาอย่าเป็นคนขี่โลคโรคภัยไข้เจ็บนะมันอยู่ในโูกประขันโลกประขันนั่นคือว่าธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวเราธาตุน้ําเอาน้ํามาปั้นเป็นตัวเรา ธาตุลมเอาลมมาปั้นเป็นตัวเราธาตุไฟเอาไฟมาปั้นเป็นตัวคนเราถ้าทั้งสีดินน้ำไฟลมนี้มันมีแต่ขลาทํทำธธรุดสุดตมมีโรคไัไข้เจ็บเป็นธรรมดาจิตใจอย่ามายึดถือเวลาไม่สบายอะไรก็รไม่ต้องบน่นให้อดทนเอา ว่าโรคประคันี้เขาต้องมีความแก่ความทราอย่างนี้และจะเอาไปไว้ที่ไหนมันก็แก่ทราเป็นได้โลคร่างกายนี้ไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเด็กว่าคนแก่คนทราก็มีโครคไข้ไข้เจ็บันเหมือนกันและผลที่สดุดเมื่ออายุแก่ทราไปแล้วความตายก็มาถึงเข้าทุกคน ไม่มีมนุษย์คนใดเหลือเดินตายอายุสองร้อยสามร้อยปีไม่มีจะมีบ้างก็ได้ข่าวแต่เพียงว่าร้อยปีร้อยปกีกว่าๆยังมีโยแต่เท่าที่เห็นแล้วร้อยปีก็หาดูได้ยากขนาดหลวงปู่แหวนเราก็ได้เก้าชิดเก้าปีย่างเข้าก็โยไม่ได้ใช่แล้ว ยิ่งคนสมัยนี้ยวดยานพาหณะที่พาไปมาเป็นภัยอันตรายแก่ชีวิตอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีก็ตายเสร็แล้วเพราะยวดยานพาหณะที่พาไปมาเกิดประมาทข้ามเสือเมื่อใดเวลาใดก็ตายกัน การนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชานี้ให้เราตั้งตกตั้งใจสัพพุตเจ้านั่นท่านนั่งภาวนาจนเลิกละกีเลสราคะโทสะโมหะตัดได้ขาดทําลายหมดแล้วพร้อมทงางวาสนาไม่ต้องไปช่วยละท่านแล้วท่านละไปแล้วแม่ร่างกายสังขารท่านกดละจากโลกเราไปแล้ว ยังเหลือแต่พวกเราทางายยังข้องอยู่ติดอยู่ยังหลงอยู่ยังสำคัญว่าในโลกมนุษย์นี้มีความสุขอยู่จิตใจก็ข้องอยู่ติดอยู่ความจริงแล้วรูปร่างกายมนุษย์คนเหานี้ไม่ใช่เป็นลูกอันสวยสดงดงามเหมือนคนเราผู้หลงความจริงร่างกายสังขารนี้ ไม่ควรที่จะมายึดว่าเป็นของมันง่นคงในชลาความแก่เบียดเบียนไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเบียดเบียนอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีในความตายคอยเบียดเบียนอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเราไม่ควรประมาทให้พากันตั้งจิตตั้งใจขึ้นมา ในวันหนึ่งหนึ่งมีโอกาสเมื่อใดโดยเฉพาะก่อนจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นให้พากันไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนของสัะพุติจ้าแล้วก็ให้นั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธ์แสดงความองค์อาจสาหาร จะสู้กัจจีเลสมาสังขารลมาดจะไม่มาหลงยึดหน้าถือตายึด ต, ตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อไปเพราะใครจะยึดอย่างไรถืออย่างไรก็ตามแต่ว่าความแก่ความชราความเจ็บไข้ความตายมันย่อมย่ำยีคนเราอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ภาวนาทำความเพียนละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อน ไพรพยาธิมลณะ <c oughs> มันจะมาตัดถอนให้เราตายไปเสียก่อนนั่นเป็นส่วนมากเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราต้องพากันลุกขึ้นบำเพ็ญทานรักษาศีลห้าศีลแก่จเจริญสมาธิภาวนา เตรียมละกิเลสความโกรธในใจให้มันหมดไปละกิเลสความโลภในใจให้มันหมดไปละกิเลสความหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปเมื่อละกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วเจตใจของเราทุกคนก็จะแจ้งใสบริสุทธิ์สะอาด เจ็บใจร้อนไหมเหมือนใจของเราแต่ก่อนหรืออย่างนี้ไม่มีที่มันร้อนมันไหมอยู่ในหัวใจนั่นเพราะไม่ภาวนาพุโทโธเพราะไม่ละกิเลสในหัวใจให้มันเบาบางหมดสิ้นไปจึงได้เกิดความทุกข์โทมานัดครับแท่นแน่นใจอยู่ตลอดเวลา เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราต้องบริกรรมภาวนาพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจนึกบริกรรมจนกระทั่งจิตใจวุ่นวายภายนอกต่งตางๆนานาส ง, งบระงับดับไปหมดสิน้นเหลือแต่จิตใจนึกน้อมภาวนาพุโทโธอยู่ได้ทุกลมหายใจ ลมหายใจเข้าไปก็ดีลมหายใจออกมาก็ดีซึ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจของเราทุกคนได้ดีทีเดียวว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้เหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้แหละถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดออกมาไม่ได้ก็ตาย หายใจออกไปแล้วโซดเข้ามาไม่ได้ก็ตายนี่มารนังเมภาวิสติความตายนั้นมีอยู่ที่ตัวเราทุกๆคนไม่ควรประมาทอันความประมาทมัวเมานั้นมักจะยึดถือว่าเรามีอายุยืนยาวก้าไกลหรื ว, ว่าจะได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีตามเราขาดหมายเอาอันนั้นเป็นความต้องการของกิเลส ความจริงแล้วชีวิตของคนเราเขามีกฎเกณฑ์ไว้เสร็จถ้าเราทำบาปไว้แตชาติก่อนผลหลังมีการฆ่าสัตว์ชีวิตให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตายไปเป็นเหตุให้อายุของเราสั้นพลันตายเพราะอาณิสงแห่งการไม่ฆ่าสัตว์อายุยืนยาวข่าวใจ ถ้าผู้ใดข่าตัดตัดชีวิตทรมานตัดทรมานคนอายุตั้นพลันตายไม่ถึงร้อยปีเลยแพราะนั้นเราต้องตั้งอกตั้งใจรีบเร่งบำเพ็ญภาวนาไว้ให้คลอมมูลนัดตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้คืนนี้เป็นต้นไปเราจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ให้ได้ทุกคืนทุกคืนนเสียก่อนจึงค่อยนอนทุกคืนทุกทั้งที่นั่งภาวนาก็เอาจนจิตใจสงบระงับตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาจิตใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามรูกเสียงกลิ่นรสโภทพระธรร ม, มารมณ์นจิตใจอันแนว่วแน่มั่นคงเลื่อมใสในคุณสัพพุทธะเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมเจ้า เรื่องใสในคุณพระอริยสังฆัจารย์จิตใจของเราก็จะได้เบา อ, อกเบาใจไม่โลเลไม่ลังเลสงสัยในธรรมในศีลในภาวนาจิตใจก็จะของใสสะอาดภาวนาวันไหนคืนไหนก็ให้ใจสงบประงับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว เอาใจของเหล่านี้ให้ผ่องใสสะผู้ยังมีชีวิตอยู่ไม่ควรนิ่งนอนใจว่าคนโน้นเป็นเพื่อนเป็นนิดเป็นสหาหเปินญาติพี่น้องของเรากรงีเขายัางตายไปได้เราอยาได้ประมาทให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาทำบุญสุนทาน รวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอา่านตั้งมั่นโยในภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สาวกของพระองค์ว่าการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาบทใ ด, ดให้นึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก หมายความว่าลมหายใจเข้าไปก็นึกพุโทโธได้ลมหายใจออกมาก็พุโทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่ฟึ่งของเรามาัดจิตใจของเราให้แน่วแน่มัน่นคงไม่ลหลง ไ, ไหลไปในที่ใดๆเอาจนจิตใจของตนของตนมีความสงบหลังอัพเยือกเย็นสบายได้ทุกๆเื่น ถ้าคืนไหนจิตใจมันจะดื้อจองหองค้นมาไม่สงบระ ง, งับเราก็ตั้งใจให้มั่นคงว่าคืนนี้ท่าจิตใจไม่สงบระ ง, งับเราจะไม่นอนเป็นอันขาดจะลุกเดินจงกรมก็ได้ยืนภาวนาก็ได้นั่งภาวนาก็ไม่ให้ง่วงเหงาเหานอนอลุกขึ้นภาวนาจริง เอาจน จ, นจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญสงบหลังับเยือกเย็นสบายลงไปเสียก่อนจึงค่อยหรับระไว้ระเชงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นบทฝึกหัดของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทพิกสุสามนเณนรอุบาสกอุบาสิกาผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์มุ่งหวังจะไปสู่ เมืองนิพพานจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้นํามาประพฤติปฏิบัติคือว่าการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานยังจิตใจของตนของตนให้เลิกละความโกรธให้ได้เลิกละความโลภให้หมดไปเลิกละความหลงให้หมดไปสิ้นไป เมื่อเลิกได้ละได้เมื่อใดเวลาใดตนเองก็จะเห็นผลเห็นอานิสงฆ์แห่งการเลิกละความโกรธโลภหลงนี้แม้จะยังเลิกละไม่ได้เราบรรเทาลงไปได้ตรงนี้ความสุขเย็นอกเย็นใจลงไปทีละน้อยละน้อยผลที่สดเมื่อเราทําเราปฏิบัติอยู่ไม่ท้อถอย ก็ยามถึงซึ่งความพ้นทุกภัยในวัา ส, สงสารอันพระสงฆ์สาวกของพระองค์บำเพ็ญมาแล้วนับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยท่านผู้ไปสู่ความพ้นทุกข์เมื่อมาถึงชาวเราทั้งหลายที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจ เนกภาวานาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาจนจิตใจเน่เมื่อความอ่อนน้อมในคุณพระพุท ธ, ธเจ้ามีความเคารพนับถือในคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงจังเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายตราบใดเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่เราจะไม่ถอยความเพียอ จะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาการภาวนานี้ไม่มีการสิ้นเปลืองไม่ต้องไปจ่ายตลาดเราเนกพุทโธขุทโธในใจเสียงที่เราได้ยินในใจโยกลงไหนก็รวมจิตรวมใจเข้าไปที่กลงนั้น ทำจิตใจดวงนั้นให้มีความสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตอยู่ในสมาธิปัญญาเมื่อจิตใจดวงนี้โยในฐานในศีลในภาวนาแล้วก็ได้ถือว่าเป็นผู้มีหลักถามในการปฏิบัติธรรมะจะโยที่ไหนจะไปที่ไหนตลอดชาตลอดชีวิตเราก็ภาวนาได้ เพราะการภาวานานั้นท่านไม่ให้นึกออกเสียงเป็นการนึกน้อมในตัวในใจจิต ใ, ใจดวงผู้รู้มีความรู้สึกอยู่ในตัวเราที่ไหนก่นนึกอยู่ในใจนั้นเอาใจิตใจดวงนั้นให้มีความตั้งมัน่นไม่วันไหวตามโลกกะระรทต่างๆให้ใจิตใจแน่วแน่มั่นคงให้ใจิตใจสงบหั ง, งับเยือกเย็นสบาย จนถึงขั้นเลิกละกิเลสความโกรธได้เลิกละกิเลสความโลภได้เลิกละกิเลสความหลงได้เมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายละกิเลสได้ทีละน้อยละน้อยไปโดยลําดับผลที่สุดน้อยนั้นแหละมันก็กลายเป็นมากขึ้นมาผลที่สุดก็ ตัดกิเลสความกอความโลกความหลงได้เหมือนพระอริยสงสาวกเจ้าตั้งหลายในข้างพุทธกานคำว่าสงสาวกในทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายเพียงแค่แค่หรือว่านักบวชภิกษุสงเท่านั้นแม่ยบโยมในสมัยก่อนนูน้นท่านภาวนาเลิกละกิเลสได้เหมือนกันกับพระสงสาวก เพราะกิเลสความโกรธความโลภความหลงนั้นมันโยในจิตใจของใครบุคคโคนนั้นก็จะต้องภาวนาเลิกละตัดให้ขาดเมื่อใครตัดขาดแล้วกิเลสก็ไม่มาทําความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทั้งกายวาจาจิตเจ็บใจของศาสสวกเจ้าทั้งหลายก็จเจริญรุ่งเรืองด้วยมัตด้วยผล เมใจิตใจอันเข้าถึงซึ่งนิฐานเรียกว่านิพานังปรมังสุขังสาเหในขั้งพุทธการนั้นเมใจิตใจถึงแล้วซึ่งนิทานเพราะท่านมีความหมัน่นความขยันในการภาวนาต่อมานานเข้ามนุษย์เราที่เกียทีิข้ามภาวนาก็หุบหอบเอาแต่กิเลส ความโกรธมาไว้ในใจความโลภมาไว้ในใจความหลงมาไว้ในใจก็จมีแต่ความเล่า้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อความเล่า้อนตลอดกาลมาถึงเวลานี้ขณะนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาที่เราทุกคนจะต้องทำจิตใจของตนให้ในความสงบตั้งมัน่น ไม่เลาะและวันไหวสันสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกและให้เตือนจิตใจของตนเองทุกคนว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้ไม่มีใครจะพ้นจากความตายไปได้มละนะภัยคือความตายนี่แหละเป็นอุบายธรรมอันยอด โคไดเน็ตถึงความตายที่จะมาถึงตนได้ทุกเวลาบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเลือยไปจนหายความสงสัยในการภาวนานั้นถ้ายังมีความสงสัยอยู่ หรือยังฟุ้งซ่านล้ำคาญอยู่คือการกระทําการและการเจริญการพิจรารณากายวาจาจิตของเรามันยังยอดย่อนยังยังน้อยโยยังไม่พอก็ให้เจริญให้มากพิจารณาให้มากพระพุทธเจ้าก็องค์ทรงเตือนไว้ว่าพาวิตาบาหูรีกตาให้พากันเจริญพาวันนาให้มากอย่าไปกลัวมันมาก จเจริญภาวนานึกน้อมจนสอนใจของตนได้จนเลิกละกีเลสความก่อความโลกความหลงในตัวในใจให้หมดไปสิ้นไปนั่นแหละสาวกโกสาวบของพระพุทธเจ้านีได้เกณได้ในใจของเราทุกคนฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลาย หากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอวังก็มีด้วยประการล ะ, ะนี่รสัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลกโหวินัสตุมาเตปวัตวันตรยโย สกิเตคาโยโกขะวะสิวาธานาสิริสเนจังรุทธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมวัชันติอายุวันโนโศขังภาลังวะระหโตสัมมาสัมพุทธา นาโมตัสสะตะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสสะะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแด่พระภูมีกระภาคพระหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> หน้าบัด น, นี้ได้เวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้การปฏิบัติธรรมติดตามไปด้วยคำว่าปฏิบัติธรรมคือทำจิตใจของเราให้เข้าร่องรอยธรรมไม่ให้ออกจากร่องรอยของธรรมรม ท่านแยกเป็นสองประการเรียกว่าธรรมวินัยพระธรรมพระวินัยพระโสดพระวินัยพระปรมัติธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าของเราได้โปรดประทานไว้ทางมวลนั้นเพื่อให้ พุทธบริษัทสาวกของพระองค์นำเอามาปฏิบัติตนเรียกว่าเอามาละกิเลสลาขะโทสะโมหะของตนให้ได้จึงเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า เม่นธาดยังเอามาละกิเลสในใจของตัวเองยังไม่ได้ก็เป็นธรรมดาธรรมดาโลกธรรมดาธรรมความจริงพระธรรมก็มีอยู่ในโลกโลกมีเท่าไรก็พระธรรมมีเท่านั้นแต่ว่าที่ไม่มีพระธรรมคาสอนสัพพุทธเจ้านั่น เคอไม่มีผู้ยกขึ้นมาตรัสมาสั่งมาสอนแล้วไม่มีผู้นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาเรียกว่าพระธรรมพุทธศานะสานาศาสนานั้นนั้นล่วงไปแล้วหมดไปแล้วเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติเทวดาอินสมไม่ปฏิบัติตาม ก็เรียก ว, ว่าถ้าทำมันหมดไปสิ้นไปแล้วมันหมดอยู่ที่คนไม่ทำผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็หมดแต่ว่าถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมตามเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะเคารพถ้าธรรมยิ่งใหของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะ เคารพพระอริยสงสาวก้าทางลาอยู่ทุกขณะทุกเวลานยจิตในใจเรยกว่าล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแล้วจะได้เตรียมตัวละกิเลสกิเลสนั้ น, นจะละที่กงไหนก็ได้ทางนั้นแหละมันเต็มอยู่ คำว่าจิเลกราคะโทสะโมหะนั้นมันมากมายมันเต็มอยู่ที่กายเต็มอยู่ที่วาจาเต็มอยู่ที่จิตที่ใจถ้าเราไม่เลิกลไม่ละไม่ปล่อยไม่วางมันก็ลกขึ้นมาเหมือนปาดญ้าในฤดูฝนฤดูฝนเมื่อฝนตกลงมาแล้วแผ่นดินชุ่มชื้น ยาทั้งหลายก็งอกขึ้นต้นไม้ทั้งหลายก็งอกขึ้นจีเลตลาคะโทศาสโมหะของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายนั้นเมื่ออารมณ์สัญญาจีเลตันหามันกระทบกระเทือนกันขึ้นมานะมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วธรรมดาจิเลต พระพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสว่ามันเป็นไฟเป็นของร้อนท่านเปรียบเหมือนอย่างไฟภายนอกที่มนุษย์เอามาใชา้จุดเป็นแสงสว่างเอามาทำอะไรต่อมีอะไรมากมายนะไฟนั้นมันเป็นของร้อนอันร้อนไฟภายนอกนั้นคอยทำเนา ร้อนไฟราคะโทสะโมหะในจิตในใจนี้นะัมากมากอย่างไรมันมากจนข้ามพบข้ามชาติไปถ้าไม่ละไม่วางเสียนในภพนี้ชาตินี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันจะตามไปไม้ในชาติต่อไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ใช่มันจะสิ้นสุดลงเองถ้าเราไม่ดับไม่ละไฟลาคะโทซาโมหะไม่มีที่จะดับลงไปเองได้ไฟธรรมดานี้แม้มันจะเกิดขึ้นไม่อะไรก็ตามหมดเชื้อเพลิงมันก็ดับไป แต่ไฟลาคะโทพามโมหานี้มันไม่ได้นับอย่างนั้นโคจะดับได้ขาพุทธเจ้าพระปัเิเจ้าพระองค์งงนี้ดับได้ด้วยตนเองจิตใจของท่านสาวกของพระพุทธเจ้านั้น จะต้องได้ยินทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติแา้จึงดับไฟลาคโทสะโมหะได้พระธรรม ในพุทธศาสนาที่พระพุธธทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงไร่นั้นทางมวนทำนั้นมันมีอยู่เนียวว่าพุทธเวไนพุทธเวไนทำคือผู้ฟังคำจะได้สำเร็จมรรคผลในพุทธเวไนนั้น จะต้องได้ฟังจากพระโอษฐพุท ธ, ธิจ้าฟังแล้วก็ตั้งอกสั้งใจปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสเริ่มตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแล้วก็ได้สำเร็จมากผลถึงถึ่นนิพพานนั่นเป็นส่วนหนึ่ง เดี๋ยวว่าพุทธเวในยเป็นเวในนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเฉพาะสาวกวเนนัยสาวกาบวเนนัยได้แก่พุทธบริษัททั่วๆไปเมื่อพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาไว้แล้วสาวก น, นำไปสั่งสอน หรือว่าเรียนจากสำหรับตำราคำสอนสัพพุธเถีายแล้วนำไปปฏิบัติทำความเพียรเพื่อละกีเลสลาคะโทสะโมหะเอาจนมันหมดไปสิ้นไปตามพระคำวิไ น, นคำสอนสัพพุธเจ้า อันนี้ก็ได้ช่วยดับไฟลาคะดับไฟโทสะโมหะได้ไฟลาคะโทสะโมหะนี้มันเป็นไฟไม่มีควันแต่มันฝังลึกอยู่ในขั้วหัวใจของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสลาคะโทสะโมหะอยู่ แน่นั่นจึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติบูบชาจะต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาตั้งจิตเจตนาในใจของตนให้นแน่วแน่มั่นคงพอใจไม่แน่วแน่มั่นคงจิตใจไม่เอาทานนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้นั่นไม่ไหวไม่ได้ ต้องทำต้องปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามลดละทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสในจิตในใจให้ได้ให้ถึงนั้นประโยชน์มันจึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่ได้เหมือนสมบัติในโลกีมันเป็นการละการว่ากิเลสความโกรก็ โล่แจ้งแล้วก็ละทิ้งวางทิ้งไม่ต้องเอามาใช้มันมันจะปนไปไหมอยู่ที่ไหนไฟโทสะสร้ า, างมันเราไม่ต้องไปตามมันละออกจากจิตใจของเราเองละออกจากกายวาจาจิตของเราเองให้ได้ไม่ได้อย่าไปถอยความเพียรเอาจนมันหลุดลอยออกไปได้ ไฟราคะโทสะโมหะจึงจะหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของมนุษย์คนหลับถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ลุกลามไปเหมือนไฟไหม้ป่าใครๆก็คงเห็นไฟป่ามันไหมเมื่อ ม, ม, ม, มันลุกติดแล้วไฟป่ามันกับไฟคน น, นั่นแหละไปจุดมันเข้า หญ้าที่มันเกิดในฤดูฝนแล้วก็ตกฤดูแล้งมันก็ตายแม่นนีน้ำไฟมันเกิดคนไปจุดมันเข้าเอาไฟต่อมันก็ลุกไหมเมื่อมันลุกไหมที่เนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วมีหญ้ามีเชื่อเพลิงมากเท่าไรเปลวไฟก็เร็วว่ามากมายไปตามนั้น กิเลสราคะโทสะโมหะของมนุษย์คนเราตัวเราทุกคนก็คล้ายกันถตามันลกขึ้นมาแล้วมันก็ไหม้ไปตามเรื่องต้องจับต้องสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบจิตนั่นแหละสำคัญที่สุดกายนี้วาจาสงบได้ง่ายหน่อย จิตมันไม่ค่อยสงบมันจะเล็ดลอดไปไหนไปถ้าตัวเองขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาสินสมาธิปัญญาไม่พร้อมมูลเมื่อได้ถ้าอริยามรักทั้งหลายังไม่ประหารโลกไห่อยู่ในใจนั้น ตายมันก็ตามไปไม่ต่อไปในภพหน้าต่อต่อไปอีกจนไม่มีที่สุดที่สิ้นพระพุท ธ, ธเจ้าก็มาสุดิ้นตรงที่ตรัสรูตใต้ล้มไม่โผมาสุดสิ้นที่นั้นไฟราคะตามมาไม่ ไ, มได้ไฟโทสะตามมาไม่ ไ, มได้ ไฟโมหะตามามาไม่ไม่ได้แล้ววทกิเลสพุทธิจักหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเมื่อพระสาวกเจ้าทาั้งหลายได้ยินได้ฟังนําไปดับไฟลาคัโทสะโมหะเอ า, าจนดับได้ละด้ก็หมดไปอู่มัอนกัน ต้องนำมา ป, ปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งนั่งนงอนนอนกิเลสมันก็ตกไปตกไปหมดไปสิ้นไปเหมือนวันคืนเดือนปีไม่ได้เป็นอย่างนั้นไฟราคะโทสามโมหะจะดับจะมอดจะเย็นสบายอยู่ที่ภาวนา ลมหายใจเข้าออกผู้บายใดที่ยังจิตใจให้สงบระงับได้ก็เอามานึกมาเจริญเอาจนมันหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดไปสิ้นไปมันก็ลกไม่วัวใจอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งใจปฏิบัติ ให้มันได้ให้มันถึงให้มันเกิดมีขึ้นในหัวใจอย่าไปปล่อยให้กิเลสลาะโทสะโมหอันเก่าลุกไม่ต่อไปอีกดับกายดับวาจาดับจิตคือบาปากุศลใดๆที่มันจะเกิดขึ้นเราดับไว้ดับละไว้ตัดไว้ พุโทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่จัจใจที่มีพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่ใจผู้รู้โยภายในไม่ออกไปภายนอกเมื่อออกไปภายนอกเป็นใจทุกข์ใจร้อนเมื่อโยภายในเป็นใจเย็นใจสบาย ถ้าเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจฮะมันดับให้มันหมดแล้วมันตายมันจึงเย็นได้แท้จะคิดไปทายนอกรอบโลกก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะมันไม่มีไฟไฟไม่มีมันไม่มีอะไรมาติดได้ ไม่มีเชื่อเฟิงเชื่อไฟถ้าหากว่ายังไม่เลิกไม่ละยังไม่ตัดให้ขาดมันเหมือนกับว่าไฟมันติดเชื่ออยู่นั่นแล้วเอาไฟเธอถือไปไหนมันก็ไหม้ที่นั่นแหะจุดเข้าที่ไหนก็ลุกโองขึ้นมาไม่จดุดมันก็ไหม้อยู่ในตัวในใจอันนั้นต้องดับ ดาโคเสียสละมันออกไปปฏินิสโคปล่อยมันออกไปมุติเอาให้มันหลุดพ้นอนาลาโยสิ่งใดมันหลุดต่อไปแล้วมันละได้แล้วก็ไม่ต้องเก็บมาอีกนั่นแหลสาวโกสาวกตพุทธเจ้าท่านภาวนาดังกิเลสให้หมดสิ้นไป ดังแส ด, แดงมาก็สมควรด้วยกาละเยลาเอวังกรมีด้วยประกาศละนีสัพพีติโยหิวัชนตุสัพพะโลคโคมิัาสตุมาเตาวัตตะวันตรายโยสุคีเทคายุโกภาวะอจิวาธานาสิดุชนิจังวุฒาปัจจานิโน จตาโรธรร ม, มาวทชันติอายุวันโลโช ข, ขังสาลังภาวนาจิตใจสงบตั้งมั่นจิตใจรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าคลายกิเลสกันหามานะทิฏฐิออกไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดจนกิเลสในจิตในใจหมดไปสิ้นไปนั่นแหละ จึงจะรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบด้วยตนเองไม่ใช่ผู้อื่นรู้ให้เข้าใจให้การปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี่จะต้องทำเองละเองถอนเองกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใ จ, จนี้ผู้อื่นจะมาเลิกมาละให้ไม่ได้ เพราะเวลาเราทำตามอานาจกิเลสนั้นมาเราทำเองความโกรธเราก็โกรธเองความโลภเราก็โลภเองความหลงเราก็หลงเองพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายอย่านิ่งนอนใจ นั่งภาวนาหลับตานึกบริกรรมพุทธโธนึกถึงมรณะภนะัยความตายขนใจของเราได้ทุกเวลาจนกระทั่งมันเพียงพอทอถอนกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในจิตในใจในกายวาจาจิตนี้จนออกหมดไม่มีกิเลสความโกรธโลภหลงอยู่ในตัวในใจเลย นั่นแหละจึงจะเป็นทางท้นจากทุกขออกจากทุกขไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกเพราะท่านแจ้งท่านพอแล้วท่านเลิกท่านละแล้วท่านปล่อยทิ้งแล้วท่านไม่เอามาอีกแล้วเหมือนเขละน้ำลายที่เราทา